ใช้ได้เวลเออวันนี้ต้องเปิดตำรายฮะตัวสลับข้อเึ็นวันนี้ก็สมองมาเปิดีมันไข้จับกันในตอนเช้าทั้งวันนึงไม่มีไข่เออไขะแยงไข่มาบารมีสูงนะเป็นไข้่ถ้าบารมีมากจริงๆจะสัง่งยแยกๆๆๆคนน้่งหนักบารมีไม่ไหว ทำไมสั่งแสดงบรลมีพฏิีพอดีเ อ, อ่อสำหรับวันนี้เป็นพอดชงพอดชงท่านบอกว่ามีกี่ข้อนี่เป็นเจ็ดข้อเข้อปข้อไม่ชัดพชง ม, มีกี่ข้อเจ็ดและอ๋อนี่ก็แปก โคดชงมีแปดข้อพระเขาอกป็ฐ า, านสูตรนะต้องเชิญดัมลามาเพราะ ว, าวันนี้เป็นไข้ทั้งวันเป็นไข้จับๆจะ ห, หายก็ไม่เป็นไรคาว่าโพดชงแปลว่าองค์เป็นเครื่องจัดสรุปในหมายความว่าคนใดจะบรรล้มรรคผลก็ต้องมีธรรมะเจตการประจำใจที่จะเรียกโพดชงมีเจ็ดอย่าง คือหนึ่งสติ2ธรรมวิจยะ3วิระยะสปีติหปัสติ6กสมาธิเจุเบคาแม่ฉันว่าตรงแบบเป้นเปิดตำราดูเนะี่ยใช่ไหมถ้าไ่เปิดดูอาจจะสลักกัได้วันนี้ไม่แน่ใจในสมองอ น, นี้การเจริญกรรมฐานเราทำเพื่ออะไรกันเราหวังพ้ ฟังพชชงและปฏิบัติตามพชนชงนั่นก็คือหวังมรคลมรคลเบื้องต่ำก็คือพระโส ด, ดาบันรองขึ้นไปก็พระสีธาคามีเหนือก็เปไปหน่อยก็พระนาคามีสูงสุดก็คือพระรหันต์พึงคำพจนชงนี่แตงเกียนว่าองค์เป็นเครื่องตัดสรุปบางทีอย่าฟังว่าต้องของพระเจ้าองค์เดียวไม่ใช่ ใครก็ไม่กันยํารู้มั่งผลต้องมีโอ้โคตรชนจะไปกายครบถ้วนอั e นดับแรกต้องมีสติ e สติเขาตั้งไปไหนใช่รึตอไปได้สติเขาตั้งมาที่ตัวสองก็ตอเต่าอะไรอีก e ตอบก็ผ e ิดแน่ไหะไม่งั้นแกนะเกียนแกเห็นเป็นสติตไม่ได้ในสติตั้งมาที่หัวที่อกใช้ไม่ได้มันอยมีสองเสือ้อ คำว่าสติแปลว่านึกถึงจะนึกได้จะนึกไว้อย่างนี้เท่าวกว่าสติอันดับแรกเราปฏิบัติเพื่อรับผลในตอนต้นขอว่าตนหที่กตัญญาโยมนะอันดับแรกจริงๆริงการนั่งสมาธิต้องใช้อนาปานุสติคือลมหายใจเข้าออกตอนแรกเอาสติไปจับไปที่ศูนย์เหนือสะดือคอยรู้ลมหายใจเข้าหายใจออก ให้ใจเข้าก็รู้ว่า ใ, ใจออกก็รู้อย่างนี้เที่ยวมีสติแล้วก็ถ้าภาวนาก็รู้คำภาวนาด้วยอย่างนี้ก็มีสติเอาแค่ต้ตนๆก่อนนะแล้วต่อไปธรรมวิจยะทำให้รรวิจยะที่แปลว่าใครควนในธรรมแล้สนใจในธรรมรู้เรื่องของธรรม สมายความต้อ ง, งคั่งคล่ายุ่นหรือว่าเราหายใจให้เข้าหายใจออกเข้ายาวหรือสั้นออกยาวหรือสั้นหายใจแรงหรือว่าหายใจเบาเราภาวนาถูกต้องไหมตามที่ต้องการเท่าสติก็ไปคุมตัวนี้ด้วยถ้ารู้ลมหายใจเข้ารู้ใจออกรู้คัมภีร์านาหายใจแรงหรือเบาสั้นหรือยาวภาวนาครบถ้วนไหมครบถ้วนหรือว่ามีคําข้อดีส ข้อดีสามวิิยะการกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกไม่ใช่ของง่ายถ้าเราพูดกันเฉยๆว่ารู้ลมเข้าลมออกเป็นของไม่ยากแต่นี่เราต้องใช้สมาธิคือการทรงตัวของจิตจิตมีสภาพพุ่งซ่านตามน่ายของนิวรนในนิวรณข้อดีสี่มีลมพุ่งซ่านและลำาคจิตมันครบนิวรนมานาน ก็ตกไปท่ายกนิวร์ก็ต้องใช้ความเปลี่ยนถ้าภาวนาไปก็ดีรู้ลมให้ใจเขาออกก็าตามประเดี๋ยวมันก็แลกไปสู่อารมณ์อื่นพอมาไปสู่อารมณ์อื่นตามตา ม, ตามความชอบใจก็มันเรารู้ตัวก็้องดึนกลับบังคับให้รู้ลมให้ใจเข้ารลมให้ใจออกต่อไปกับคำภาวนาะอย่างนี้ต้องมีความเปลี่ยนถ้าไม่มีความเพียนต่อสู้สู้มันไม่ไหว ทั้งๆ ท, ทิ่เปียนก็ต้องสู้กันพดี๋วกเหนือเียวมีสักเดียเด๋ยวสัเดวก็วววส่งตัวต่อไปก็มีปีติตัวนี้ตัวสำคัญมากขณะที่รู้รมไม่ใจเข้าใจออกพอตามพอ น, นายก็ตามมีปีติปีติแปลวความอิ่มใจที่ว่าตอนต้นนะถ้าปีติเกิดขึ้นคำว่าปีติเอาเองี้กันลยกันให้สักเกตแต่ว่าอารมณ์สบาย อารมณ์ฝืนไม่มีตอนต้นต่อสูก้กันกับการพุ่งแซนของจิตมันจะพุ่งเราก็ไม่ยอไม่พุกงมิสุดมันก็พุ่งพุ่งไปพุมาแล้วมันพุ่งไปแล้วก็ดึงมาต่อสู้กันตัวนี้ยังไม่มีปิติพ อ, อต่อไปจิตเริ่มสงบจากลมพุ่งแซงทรงตัวอากายทรงตัวจิตเรียบมีรมสบายพอรมสบายเกิดขึ้นตอนนี้ปิติเริ่มเกิด ความอิ่มใจความพื่มใจการดีใจความสุขใจเกิดขึ้นตัวนี้เป็นปีติแล้วก็ต่อไปปะสะัสสิความสงบพอสมาธิเกิดขึ้นความปีติเกิดขึ้นอารมณ์ ก, ก็สงบจิตกิเลสภายนอกต้องออกจากนิวรณ์จิตเป็นสุขมากแล้วก็ต่อไปเป็นสมาธิสามพชทธชง เมื่อจิตสงบแล้วสมาธิใหญ่หรืออัปนนามาสมาธิที่เกิดขึ้นคือฌานสมาบัติเมื่อฌานสมาบัติเกิดขึ้นชานหนึ่งสองสามนนยังไม่มีต่อไปก็เป็นฌานสีอุิวเบคาถ้ามาแทรกจิตสงบทรงตัวเรเบคาเป็นโคตจงโคตรเจ็ฟังยากตายโหฉันพูดก็ยาก เวลาทําจริงๆมันไม่อยากไม่ต้องไปนั่งเรียงมันมันจะเป็นไงก็ตามถ้าจิตเราไม่ฟุ้งซ่านรู้ลมหายใจเขาออกอารมณ์เป็นสุขใช้ได้เลยเห็นไหมข้ามเอาเบรคขาในขณะนั้นจิตจะไม่นึกเพื่อเรื่องอื่นจิตยังนึกเฉพาะลมหายใจเขาออกกับคํภาวนาถ้าเป็นฌานต้นนะถ้าจิตเข้าด้วยฌานในสองคําอวนาจะหายไปจะมีอารมณ์เป็นสุขจิตเอื้อปีม แล้วก็แต่ชาที่สามความอึดอิ่มให้ไปหรือจะสุขอย่างเดียวมีรมเบาแต่ร่างกายหนักหูฟังเสียงได้น้อยร่างกายไม่อยากจะเคลื่อนไหวถ้าเป็นชาที่สี่ตัวสุขให้ไปหรือเอการม่มแค่รมเหนึ่งอย่างเดียวเถ้อมีเบรคขานเขามาช่วยยากฟังยากพูดก็ยากฟังก็ยากเอาใหม่เอาใหม่ไม่ใช่ขึ้นต้นใหม่ต่อไป อันนี้ต่อไปเราปฏิบัติเพื่ออะไรเราปฏิบัติเพื่อนิพพานส่วนใหญ่ก็บอกว่าเราปฏิบัติเพื่อนิพพานคำ ถ, ถามอยากจะถามว่าไปได้ไหมไม่มีใครตอบฉันตอบคนเดียวก็ได้ถามเองตอบเองไม่มีอะไรผิดหรือ ว, ว่าไปได้เพราะอะไรเพราะว่าทุกคนที่เกิดมานี่มันต้องไปนิพพานทุกคน สัตว์ทุกตัวในโลกต้องไปนิพพานหมดแต่ว่าใครจะไปช้าไปเร็วเท่านั้นสัตว์ที่มันคือคนก็สายทำบาปอุ่นตาย ไ, ไปตปกนรกมาเป็นเปรตมาเป็นสุรกายต่อมาเป็นสตีชันขัตตุไทยแล้วก็กลับมาเกิดเป็นคนไอ้ความดีของนิพานจะพูดไปมันแสนใจยา ก, ายากถ้่เราพูดไยากถ้าเราพูดให้ตรงตามแบบตามความจริงมันก็ไม่ยาก เพราะความดีเราสั่งสมทุกชาติการปณิพันธ์นหวังชาติเดียวไม่ได้มันต้องบำเป็นบารมีคือกำลังใจดีมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่กำลังใจยังอ่อนค่อยเข้มข้นไปเรน่อยอยิอยอ่งขึ้นขั้นเข้มข้นมาที่สุดทเรียกว่าบารมีเต็มเป็นป ร, รมัาบารมี <c oughs> จะไม่ธิบายแล้วนี่ต่อไปแล้วก็จับความเป็นพระอริยเจ้าอันนี้สาคัญมาก ถ้ะอารีย์เจ้าเด็ระหวังอันดับแรกคือประโสดาบานก่อนเมื่อหวังผลประโสดาบานได้แน่นอนอันดับแรกคือประโสดาบานอย่างหยากมีสินห้าบริสุทธิ์ครบถ้วนไม่ต้องระวังคือไม่ต้องระวังว่าจะละเมิดสินห้ามันมันเลี่ยงของมันเองเป็นปัจฉิสงฆ์หรือว่าเป็นสมาธิแต่ตั้งโตัโดจิตโด เป็นเบก า, ามันเฉยตบาบอภิษณเองจากชินห้านะนี่เป็นพระโสดาบันขั้นหยากพระโสดาบันขั้นกลางก็คือมีกำหนดสิทธิเบื้องต้นแต่หมายความมันยังหยาบอยู่กำหนดสิทธิก็ต้องระวังกันบ้างถ้าพระโสดาบันข้นละเอียดที่สี่ทธาธรมนี้ก็มีกำหนดสิทธิละเอียดคือไม่ต้องระวังมันไม่ละเมิดนี่เอาบทชงเข้าไปจับความเป็นพระโสดาบัน พระโสดาบันมีอะไรบ้างหนึ่งมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้ต้องตายต้องใช้สติเข้าข่มพอตื่นขึ้นเช้าที่มีความรู้สึกว่าความตายมีกับเราแน่จะมีวันนี้มีพรุงนี้เมื่อไรก็ช่างเราก็ต้องจะตายเราไม่สามารถจะยืนหยัดท่อผู้โลกต่อไปได้จะตายเมื่อไรก็ช่างเราต้องเป็นคนมีที่พึ่งคือไม่สงสัยในคนพัตนาใจ ได้ก็ยอมรับนับถือพระพุพะทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ฝากจิตใจเอาสติก็ควรต่อไปก็ทางมรรคญาณเอ่ยเอาสินีข้อดีไหมเอาขอเอาสติก่อนนะในเมื่อเคารพพระไตปรปิฎกแล้วก็ต้องมีสินเป็นกาแพงกั้นอบอายพวงถ้าจิตยังอยากถ้าเจริญเอกขึ้นก็กําหนดสิทเท่ากันอบอายพวง เพราะว่าพระโสดาบันขั้นกลางหรือขั้นสูงสุดเรียว่าสิิทาคามีท่านใช้กำหนดสิบมันจะใช้สินทาโดยเฉพาะพาเห็นว่าพระโสดาบันไม่มีการเสียดสีไข่ไม่มีการนินทาไข่พูดลงไปตรงมาและมีการบาจาภไพระนี่ประโสดาบันก็ต่อสติเข้าไปคุมว่าสินห้ามมีกี่สินคาบท ม, มีอะไรบ้าง <c oughs> เราจะไม่ยอมละเมิดสินห้าถ้าสูงก็ไปกำหนดสิทศิ์มีอะไรบ้างกำหนดสิทศิ์มันในญาติโยมบางคนไม่เข้าใจแค่ไม่ทราบ <c oughs> ก็จะบอกให้ทราบกำหนดสิทธิ์ทางกายมีสามหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์สองไม่ลักทรัพย์สามไม่พฤติกรรมแต่ทางวาจามีสี่อ 1. หนึ่งไม่พูดปลดสองไม่พูดคำหยาบ 3. ไม่ส่อเสียดยุยงก็แตกราวกันคือมินทาได้ก็สี่ไม่พูดเพื่อเจือเหลวไหลทางใจมีสามคือไม่คิดอยากได้สัตว์บัติขาบุคคลอื่นโดยไม่ชอบทำเรื่การในสองไม่ไปจองล้างจองผายใครคือไม่พยาบาบตความโกรธยังมีและก็สี่แล้วก็สามมีความเห็นถูกคือส ม, มาธิกิมีความเห็นตรงตามที่พระเจ้าทรงสอนไม่คัดค้าน ให้กําบดสิบแบ่งไปทางกายวาจาได้ใจก็สติก็กกไปควบคุมว่าสิน้นห้าก็กดีกำหนดสิบก็ดีมีกี่อข้าบทเมียได้บ้างคงไว้ไม่ยอมมือใหม่ใหม่มันก็ลืมบ้างไม่ลืมบ้างเป็นค้อธรรมดาให้ต่อไปข้อที่สองของสัมพจน์จงมันเครื่องตัดสู่ก็ธรรมวิจยะไข่ควร ท, ทำใช้ปัญญาไข่ควรว่า เรานึกถึงความตายบ้หรือเปล่าเราลืงความตายไหมยายคิดว่าอายุยางน้อยใกลแต่ความตายที่มันไม่จริง <c oughs> คนที่เกิดภายหลังเราตายก่อนเราก็เยอะแยะตรงรึกว่าเราอาจจะตายวันไหนก็ได้ถ้าเราลืมถือว่าขาดสติถ้าต่อไปใข่ส่วนว่าเราเคารพพระพุทธเจ้าพระทาพระอริยสงฆ์จริงหรือไม่มีการปราโมายไหม เรามีศินบริสุทธิ์หรือเปล่า ส, นานบบสินมีกี่ขีสิคาบดกำหนดศิษมีกี่สิคาบทถ้าปฏิบัติครบควรไหมเท่าธรรมวิทยะคือไข้ควนทำไข้ครวรในข้อวัดคือบัตดตอนนี้จะมาข้อเดซายไิ่ดยะอารมณ์ของเราเคยแล้วเมื่อศินเป็นปกติแล้เมื่อกำหนดศิษเป็นปกติมันทํามาเรืดีบ้างไม่ดีบ้างครบบ้างไม่ครบบ้าง ก็ต้องใช้ความเปลี่ยนวิยะคือความเปลี่ยนเข้าต่อสู้ตึ่ขึ้นมาเช้าก็ไข้ควรทิ้หินห้าได้กำหมดสิเพราะวันนี้ทั้งวันเราจะไม่ยอมละเมิดสิขาบทใจแต่วันนี้ทั้งวันเราไม่ยอมปรามารราทาย์พระรัตนตรัยวันนี้ทั้งวันเราจะไม่ยอมลืมความตายต้องใช้ความเปลี่ยนก็ต่อสู้มออัอดเลออดลืมไม่ได้เป็นของธรร ม, มาดา ได้ใช้ความเพียงเข้าคุมปฏิส่วนหนึ่งตัวนี้เป็นตัวปัญญานะ <c oughs> แล้วต่อมาปีติความอิ่งใจตอนนี้การที่จะบรรลุมรรคผลไม่แต่ขั้นตนก็ตามถ้าขาดปีติมันก็ไปไม่รอดไม่แต่ฌานสมาบัติก็ไม่เกิดแตบบ่ปีติอยู่ขั้นนี้ขั้นอุปจารสมาธิไม่ไช้ฌานนี่เป็นตัวสำคัญในขั้นต่อไปปีติคือความอิ่งใจ ความอิ่มใจเกิดในคึ้เกิดขึ้นในตอนไหนเธอใข่ควรดูวันหนึ่งเราละเมิดเราดื่มถึงความตายมันหรือเปล่ารายการที่สองเราปรามาสพระไตรสนาคมรรหรืเอเปล่ารายการที้สามแล้มีสิ่งเขาท่วนไหมตอนนี้ก็ใช้เข้าไปควบคุมอารมณ์อันดับแรกเลยคิดว่าขึ้นเรื่องความตายเราคิดวัขนข้างเดียวใช้ได้ ตื่นขึ้นชาหรืตอนสายตอนไหนก็ตามเราคิดว่าความตายอาจจะอาจจะถึงเราในวั น, วนในวันนี้ก็ได้ถ้านึกถึงความตายไม่มีความประมาทถ้าเราน้นคือไม่ได้นะเราก็ควรจะปลื้มใจด้วยกำลังขขาปีติทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเราตัดสังโยชน์ข้อที่หนึ่งเาก็โสดาบันไดแล้ว แม้แต่ข้อเดียวก็เป็นผลให้เกิดได้ละสามข้อข้อนี้สำคัญมากต่อไปข้อที่สองมิจิบิชาจะสงสัยในความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์แล้วก็ไข่ควรดูว่าความดีของพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระอริยสงฆ์ก็ดีเรายอมรับรับถือด้วยความจริงใจหรืเปล่าถ้าเกิดมีการยอมรับรับถือด้วยความจริงใจแล้วก็ปลื้มใจตัวเอง ว่าเราเก้าล่วงอบัยภูมิเป็นขั้นที่สคือคุณจรทำองคพระสวดาบเนี่ยพ้นอบัยภูมิบาปเก่าทั้งหมดให้พลนไม่ได้ถ้าตายจากชาตินี้ไปแล้วจะไม่พบกับนรกเปรตสุรกายสาติฉันไม่พบกันแนมุ่มงหน้าจุดเดียวกั น, นิพพานถ้าเรามีความรู้สึกว่าเรามีความเคารพในพระเจ้าก็ทมพระอริยสงฆ์จิ ก็ถือความอิ่มใจความมีใจก็ควรจะเกิดขึ้นตามพูดก้าร่วงสัญญ์ย่ข้อที่สองจะเป็นประสดาบันได้แล้วนี่นก็บันเหลือข้อที่สใกลคนดูสิงห้าสิ่งที่พระเจ้าสมบัญญัตมีห้าข้อปกติเรามีกี่ข้อไม่ใช่ลงนะอาจจะมีหข้อแถมข้อที่ใช้ไม่ได้ เราใคร่คนดูวันนี้เราไปชิ้นห้าครบถ้วนไหมตั้งแต่เช้าถึงเวลานี้ชิ้นห้าข้อมีอะไรบ้างที่เราไม่ปกต่อก็มีสิ่งข้อไหนบ้างที่เราปกต้องถ้ามาเอิญวันนั้นเราไม่ปกองในชิ้นห้าเราก็ควรจะปลื้มใจตัวเองว่าวันนี้เรามีคนทําครบถ้วนในองค์พระโสดาบันขั้นตน้น นี่ต่อไปก็ใครควรดูทั้งหมดสิประการว่าวันนี้ทั้งวันเราคิดจะฆ่าสัสตว์ไหมคิดจะรักทรัพย์ไหมคิดจะพึ่งพิธีการมไหมเราคิดจะบูช า, าหมู่สาวาตไหมคิดจะว่าวาดกล่าวคำหยาบไหมคิดจะดินทายใครไหมคิดจะพูดเบื่อเจือเหลวไหลไหมเราคิดจะอยากสมรักกับมืของใครหรือเปล่าอยากจะฆ่าใครไหม เราเคยต่อต้านเคยคิดต่อต้านคำสอนพระเจ้าหรือเปล่าถ้าบังเอิญไม่มีทั้งหมดเราก็ควรยาปลื้มใจในตัวเองปีติคือความอินใจก็เกิดขึ้นขึ้นที่วันนี้องคุณธรรมของพระโสดาบานันและสิกิตาคามีเราครบถว้วนเรามีหวังพระจาบาใบปุ่มแน่นปีตินะปีติค่อตัวสำคัญต่อไปเมื่อปีติเกิดขึ้นคุณธรรมทุกอย่างก็ครบ ปัดสติกลมาคือความสงบเพื่จิตไม่ฟุงใส่ความสงบนี้ต้องดูกันตามขั้นตอนในตัวอย่างอย่างท่านยิมันฟั้งอยู่ในฌานโลกีก็ต้องดูความสงบของฌานโลกีอันนี้ไม่ขอพูดเวลาน้อยก็ขอพูดเรื่องความสงบของมัสโซดาบันเนสกิธาคาเมียถ้าสงบไม่เป็นมันก็กลุ่ม ถ้าต้องการสงบมากเกินไปต้องพอเหมาะพอดีควาสมสงบพระโสดาบันหนึ่งพระโสดาบันยังวหวัดปัดในความตายจะลืนาะไม่ใช่ว่าพระโสดาบันไม่กลัวตายพระโสดาบันเนนึกถึงความตายก็จริงแหละถือว่ายังวหวัดปัดในความตายอยู่บ้างยังไม่สงบสงัดจริงเพียงเพียงว่าไม่ลืมความตายแต่ความตายมันก็กลัวเหมือนกัน ก้อสองควาสมสงบขพระโสนาบันก็คือการยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ยอมรับนับถือด้วยความจริงใจเกิดความมั่นใจมีวมิจิตรงดใจอารมณ์ก็สงบนิวรณ์ไม่สามารถจะหักล้างข้อนี้ได้ไม่มีนิวรณ์ข้อใดที่มาหักล้างความการยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ของเรานี่ก็สงบ ต่อไปโสดาบันก็สงบตามขั้นโสบัตอย่างโสดาบันอยากก็สงบในช่วงของสินห้าไม่ใช่ไปว่าไปติดถึงอรหันตเนยต้องถือถ้าไม่เข้าใจมันเปนกลุ่มบางคนมาบอกว่าจิตไม่สงบฟุ้งซ่านจาัตความจริงไม่มีสงบของจิต ย, ยังไม่เข้าใจเลยก็กลุ่มแย่ แล้วคิดถึงสินห้าเราทราบว่าสินห้าของเราครบเราปฏิบัติได้ครบจิตก็สงบไปพงสานไม่เดือ้อนต่อไปอยาละเอียดคิดถึง 9, กำหมดสิบเราทราบว่ากำหมดสิของเราครบควนอย่างนี้ถือว่าจิตสงบในขั้นของพระโสดาบัยเป็นปัจฉิตไม่อยา ก, ยาก ไ, มไม่ยากเลไม่ยากเลยต่อมาก็มาสมาธิสัมโพชฌงสมาธิสัมโพชฌงการตั้งใจมั่น สมาธิเี่ยตั้งใจแต่ตั้งใจแน่แน่ตั้งใจมัน่นไม่ใช่ต้องไปนั่งหลับตาภาวนาทรงตัวเส ม, มอไปไม่ใช่อย่างนั้นนะตั้งใจว่านในขั้นแรกก็เชื่อ ว, ว่าชีวิตนี้มันต้องตายแน่แต่เบรคการที่สองตั้งใจจริงคือยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยความจริงใจไม่ไม่คงเคลิไม่คงังแรงมั่นคงมาก และรายการที่สามมีความม่นคงในสินห้าให้กำหดสิทธิสมาธิแล้วก็ข้อที่เจ็ดอุเบกขาเป็นบอกข้อเดียวหวยออกเสร็กมาอยู่ไมเล่นนะนลองลองซ่อนสมาธิอ่ะเราบอกหวยชีย้ยิ้มแล้วแสดปีๆีเกิดข้อที่สามเออข้อที่เจ็ดอุเบกขาความบางเฉดตัวนี้เป็นตัวชาน ความบางเฉลยในที่นี้ต้องเข้าใจแต่ไม่ใช่มันเฉยทุกอย่างาเฉยได้เพียงหนึ่งความตายจะเกิดขึ้นอารมณ์ไม่หวั่นไหวเกิดไปพระโสดาบันยังกลัตายเนี่ยจะเป็นนี้ก็ไม่กลัวตายผู้ที่ไม่กลัวตายจริงๆก็คือพระพุทธเจ้าพระอรหันต์พระพระุทเจ้าหรือว่าพระเจ้าจริญพัฒน์มาอาจารย์ในของเจ้าเจริญพัฒน์ที่เขาสุครามพวกนี้ไม่กลัวตายตอนนั้นกลัวตายหมด ก็มีข้อที่หนึ่งนึกถึงความตายไม่หวั่นไหวมากเกินไปให้ความตายในแจะเข้ามามันมีนมทุกขเวทนามากครัวทุกขเวทนาแต่ก็มีความมั่นใจในเบววขา ว, วางเฉยได้ว่าตายเท่านี้เราไม่ไปอ บ, ยบัยกับคุณแน่ <c oughs> แล้วต่อไปเราจะไม่พลาดนิพพานถ้ า, าตายจากความมีคนถ้าบรารมียังอ่อนจะต้องเกิดปเป็นเจว ด, ดาบ้างกลายเป็นสมบ้าง ถ้าลามาจากเทวดารผมก็มันไปเกิดไหนเกิดแค่มนุษย์สลับกันไปสลับกัมาไม่ชาแล้วก็บปณิบันธ์โอเบิดขาก็วางเฉยไปยังไงไงวางเฉยหน้าอบายปุมสีได้เราไม่ลงอบายปุมกแน่ใจสบายเฉยแค่นี้นะถ้าเราตอบไปก็วางเฉยในอบายปุมิขั้นหนึ่งนั่นคือว่าการเคารพพระไตรปิฎกคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสง์ ถ้านึกถึงพระพุทธเจ้าเฉยๆก็ตามแต่พวกเราไม่นึกเฉยๆนึกเป็นความเรพเป็นความจริงใจแต่ในพระสูตรบางสูตรอย่างเรื่องมัจจุตัลีที่พราหมณ์ถามพระพุทธเจ้ า, าว่ากราัชบุรณะโคโดมคนที่นึกถึงชื่อท่านอย่างเดียวไม่เคยยกมือไหว้ไม่เคยใส่บาตรไม่เคยฟังเทศตายแล้วเกิดบนสวรรค์มีไหม พระพุทธเจ้าทรงตอบว่าคนที่นึกถึงชื่อเราอย่างเดียวไม่เคยยกมือไหว้ไม่เคยใคยบา่ายไม่เคยบังคับตายได้ไปเกิดบสวรรค์ไม่จะ่นับร้อยนับพันนับปีโกนนี่เราก็มามองดูว่าพระไตรชนนาคมคือพระพุทธเจากก้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระอริยสงฆ์ดีแล้มีความมั่นคงไหมถ้ามีความม่นคงในความรับ ร, บรบกาก็เฉยต่อบ่ายภูมได้ถ้านึกถึงพระพุทธเจ้าอย่างเดียวยังไม่ลงนรก เราเลือกถึงเรื่องสาอย่างจะลงลนรกได้ยังไงถ้าเราไม่ลงมาใบขุนก็มีหวังจุดเดียวคือ น, นิพพานเราก็มีรมวางเฉยไม่ต้องกลัวว่าจะลงอางมาใบขุนเพราะอาการปราโมทย์พระไตรสนาขุมแต่ต่อไปก็มา น, นั่งนึกถึงสิ้นห้าในกำหนดสิบเราเคยพลาดพลาดไหมก็มีความรู้สึกนานมาแล้วและไม่เคยพลาดในสิ้นห้าในกำหนดสิตัวนี้ก็วางเฉยได้อีก เฉยเพระอะไรพราะว่าเราเข้าถึงไตรชนาคมแล้วเรมีศีลแล้วเรามีพระนิพพานเป็นอารมณ์อย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าพระนั่นคือพระโสดาบันที่สิ่ทาคาทพระบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทโปรดทราบว่าคําว่าพระพที่พระเจ้าทรงเรียกอยางพระสงฆ์ที่บวชในพุทธศาสนาถ้ายังไม่เป็นพระโสดาบันไม่ทรงเรียกว่าพระ ที่เขวีทุกวูปทั้งหลายจะเรียกว่าเป็นสมุติสง์ถ้าเป็นประโสดาบันจะเป็นพระกาตามกระว่ากตามท่านฤทธพระเหมือนกันหมดนี่คำว่าพราะจริงๆอยู่ใีความบริสุทธิ์ของจิตดังนั้นพวกโพชฌง์จเจ็ิการคือหนึ่งสติต้องมีสองวิธรรมวิทยะการค่อยควรรมใช้ปัญญาณ น, นิดประูปัญญา สวิริยะความเพียรต่อสู้พัสัจคืออารมณ์สีปีติความอิ่มใจในการปฏิบัติธรรม 5. ประสัสติมีรมสงบสบายมีความรู้ว่าทุกสิ่งทุอย่างครบถ้วนสบายใจ 6. สมาธิมีใจทรงตัวเป็นลมเป็นหนึ่งไม่ท่งเคลมไปไหนเจ็ดอุดเบกามีความมั่นคงวางเฉยกไม่ต้องเกรงว่าจะ สังโยชน์สาันการจะกลับมาอีกนี่ทั้งหมดนี้เป็นมรรคเบื้องตน้นวันนี้ร่างกายไม่ดีมากนะพูดกัมาต่อใจชัดกัน้งต่อไปถ้าถ้าเราเข้าทํำลายสังโยชน์สามได้แล้วในแนวปฏิบัตินะถ้านเป็นแนวอนุสีต้องว่ากันว่าสติทาคามียนาคา ม, มียรานถ้าแนวปฏิบัติจริงๆถ้าเราชนะสังโยชน์สามได้ พระวิสุทธิมรจํจำกัดเวลาท่านบอกว่าท่านปู่ใดสามารถชนะสังโยชน์สามได้ในะที่นั่งใดนณะนั่งอยู่อย่างนั้นให้ทำถึงอราหันต์ทันทีแ ม, ม้ความประการรู้อาหารหันต์อาจจะมีขึ้นในเวลานั้นอารมณ์าหารหันต์ถ้าเราไล่ไปมันก็ยากต้องไปตัด อ, าา อ, อันาคามีกรรมฉันทะไปค้าอีก ในกาตัดอรหันได้แก่รูปราคารูอักบรารูปราคะมานะอุตจาวิชาต้องการรู้ในสําหรับรู้ว่าการมาราคากับปติฆะเนี่ยตัดหนักมากถ้ามองไปตามเหตุผลลำดับวิชาจะคิดว่าตัดได้ยากก็ไม่สามารถบรรลุมรผลได้และวิธีปฏิบัติเขาไม่ทํากันถ้าหากว่าสามารถตัดสัญโยณสามได้แล้วเขาเลี้ยวไว้จับตัดอวิชชาทันที ถ้าตัวปลายอวิชชาคือตัวไม่ค่อยจะรู้จริงไม่รู้จริงอะไรไหมไม่รู้จริงในเรื่องของในเรื่องข้อเรียสักรังไม่ออกคือไม่รู้จริงเรื่องของโลกมนุษย์สโลกคือโลกสั้นมโลกย์อย่าก่อนอย่ก่อนนี่ก่อนอย่างอย่างอย่างเรนบอกเรืยไวเรื่ยเเรืยเก่อนเลยสองนาทีนาฬิกายำ ที่เราตั้งจำนวนเกิดว่าเขาเราเข้าไปตัดอวิชชาเกิดตัวไม่รู้เรื่องของโลกคือมนุษย์สโลกเทวโลกกัพพมโลกตัวอวิชชาก็มีความเข้าใจว่ามนุษย์สโลกนี่ดีเทวโลกกัพพมโลกมีความสุขความจริงเทวโลกกัพพมโลกเข้าใจไม่ผิดถูกตาผิดอีกเพราะว่าคิดว่าเป็นเทวดาหรือพรมตลอดกาลตลอดสมัยและมันไม่จริง การเข้าไปตัดก็ไปตัดฉันทะคือความพอใจในมนุษยโลกเทวโลกกับอมโลกตัดราคะที่มีความรู้สึกว่ามนุษสโลกเทวโลกอมตโลกเป็นของดีหน้อยู่ตัดยิ้งไปเลยโลกต้งสารได้การที่เราไม่ต้องการเราต้องการจดเยียวยาพิณพนหลังนั้นก็ใช้อุปสมานุติรกรรมฐานไปจำใจคือนึกถึงบันธุพัน์เป็นอารมณ์เพียงเท่านี้บรรดาในพุทธบริษัทเป็นของไม่ยากเราทำได้นะ ไม่ไงใช่รอแต่ให้ค่อยๆทำไปเรียกว่าสัมโพธชงนี่จะญาติโยมคิดตามมันก็ลำบากมากนะไม่ตองนึกข้อไหนได้ข้อสำคัญจริงก็ปีติแอร์ ต, อตัวสตินะตัวสติและวิทยะสองตัวนี้มีความสำคัญมากสติตั้งขึ้นอันนี้วรนไมนกวนใจให้ความจพีงเขาต่อสู้สู้กันไปสู้กันมาในที่สุด อารมณ์ทั้งหมดอยู่ในเกณฑสงบขั้นของสังโยชน์สามเราก็ยินดีแล้วแต่เนี่ยถ้าสังโยชน์สามเราตัดยังไม่ได้ตัดได้ข้อหนึ่งข้อสองรู้สึกว่าจะตายก็มีได้คารบแต่ไม่ตายพันนาคมไม่ได้ก็ควรจะมีความอิ่มใจว่าเรายังพาดในสินบ้างทลาดในกามหมดสิบบ้างแต่ว่าตายพันาคมยันไม่ให้ลงมลุกได้ธนาบรรดาญาติายาโยมพุทธริษัททัน์ทรายวันนี้ร่างกายไม่ดีตั้งแต่เช้า ก็ตอนนี้ไปขบันดาแตงพุทธบริษัททุกคนตั้งใจสมาธานสินสมาธานไม่จมัมทาน